ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทุกท่านวันนี้ก็มาฟังบา ร, รมีกันต่อไปอีกสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลบา ร, รมีจัดว่าเป็นบา ร, รมีอันดับที่สองที่พระเจ้าทรงเรียงไว้ในความจริงการปฏิบัติท่านบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลาย เราจะปฏิบัติขึ้นต้นบัดทานถ้าเรียงมาเป็นศีลถ้าเรียงมาเป็นเนคขมะแล้วก็เรียงมาเป็นปัญญาอันนี้ก็ไม่ถูกการปฏิบัติจริงๆต้องขึ้นด้วยปัญญาบารมีก่อนว่าคนที่ไม่มีปัญญาเขาไม่รักษาศีล น, นะครับ และก่อนที่จะพูดอะไรก็ขอย้ากันไว้อีกนิดสนิดหนึ่ง้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าที่บรรดาญาโยาพุทธบริษัรมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาก็ดีความจริงพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนหมดทุกทุกที่มีความสำคัญมากก็คืออบายภูม แต่เราต้องลงอายภูมิเราก็ขาดทุนฉะนั้นในตอนนี้ขอบัรดาเพื่อนบิสุทธ์สมณีทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมผุ้ทบริษัททั้งหลายด้วยพากันป้องกันอายภูมิซิก่อนก่อนที่เราจะมีบารมีเต็มเพราะไม่แน่นั ก, กว่าการบำเพ็ญบารมีของเราชาตินี้จะเต็มและไม่เต็มเราไม่ทราบ ถ้าบารมีเต็มเราได้ไปนิพพานแน่ถ้าบารมีไม่เต็มเราก็ยังไปไม่ได้ถ้ายังไปไม่ได้ต้องเวีนไปหาไบายภูมิเราก็ขาดทุนเพะนั้นการที่เราจะหนีอบยภูมิให้พ้นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ต้องตายก่อนจะตายเมื่อตายเมื่อไหรเราไม่ยอมไปอบยภูมิ ยึดพระพุทธเจ้าเพื่อทำพระ อ, ร, อริยสงฆ์ปฏิพึงในควาหมายความไม่ยอมรับนับถือคำสอนของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่านหลังจากนั้นทรงสินให้บริสุทธิ์สินต้องเป็นตามสภาพของฐานะนะครับพระมีสินเท่าไหร่ใมัน้เนมีสินเท่าไหร่ใหรับบญาติโยมพธบริสัทธ์สำคัญที่สินห้า ต้องรักษาให้ครบถ้าทรงจิตพิษไั้เสมอว่าการเกิดมนุษย์มันเป็นทุกข์เราจะไม่ต้องการมาอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นสุขทั่วคราวหมดบุญวัสนาบา ร, รมีก็ลงมาเราไม่ต้องการต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าทรงอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้จริงๆนะครับตายจากชาตินี้ไม่พบกบายภมพแน่ แต่ถ้าบาังเอิญจะเกิดใหม่จะตายกี่ชาติก็ไม่พบกับใบูมิเพราะว่าใบาูมิกับเราเลิกเป็นญาติดีกันแล้วพ้นทุกไปทีขออารมณ์อย่างนี้อย่างน้อยที่สดุดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพิสุทสมณ น, นต้องถือว่าเป็นกฎตายตัวที่เราจะต้องทาให้ได้แต่ก็ถามว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วหรือ ก็จงตอบเขาว่าการปฏิบัติไม่ได้มุ่งพระโสดาบันและก็ไม่ได้มุ่งชาลโลกีมุ่งอย่างเดียวคือทำความดีหนีอบายภูมิหนีการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นตอนนี้ก็มาพูดกั น, น้งสีน้บารมีบารมีแปลว่ามีกำลังใจเต็มสีนี่ก็แปลว่าปกติ คือ ป, ปกติของพระต้องปฏิบัติในสิกขาบทเท่าไรและก็มีพิสมาจาร์เท่าไรพระต้องปฏิบัติในธรรมะอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะห่มผ้าจะบริโภคอาหารหรือ ว, ว่าจะชั้นกีฬาในเภสัชชั้นยาอันนี้ต้องพิจารณาก่อน ว, ว่าเราจะไม่ติดเพื่อความสวยสดุดงามเป็นต้น เราจะไม่กินเพื่อความอ้วนผีรืะผ่องใสจะไม่กินเพื่อทำทากิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินให้ชีวิตส่งอยู่แล้วก็จะปฏิบัติความดีทำลายความโลภออกจากจิตทำลายความโกรธทาลายความหลงออกจากจิตเราจะปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระธรรมสามิุททุกรายการที่ทรงตรัด อย่างนี้จริงจะใช้ได้นะครับเรื <c oughs> หรับศีลพระก็ดีเนงก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีถ้าแค่เอาแค่ศีลเฉยนี่ไปไม่รอดนะครับจะต้องปฏิบัติในกรรมบทสิด้วยเพราะถ้าศีลเฉยยังมีศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่าศีลห้านี่เขาก็ห้ามแค่พูดบทเท่านั้น พูดวาจาหยาบคายนินทาชาวบ้านขยุเขาแตกกันจะพูดวาจาที่ไร้สติคือไร้ประโยชน์พูดส่งเดชอย่างนี้เป็นโทษก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดผมก็จะข อ, อนำพระสูตรสูตรหนึ่งมาคุยกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทกัะบรรดาเพื่อนพิสุสมันเณน เราพูดกันแต่ธรรมะรุนๆมันก็้างจิตจืดไปหน่อยรือว่าคนที่ไม่ผิดศีลคือว่าไม่ใช่มุสาวาทแต่ว่าใช่วาจาพร่อยๆไร้สติสมัมปทัญญาพูดส่งเดชดเป็นเหตุให้เกิดเป็นโสเพณีตั้งหลายร้อยชาติเรื่องก็มีว่ามีท่านสิทธิมา ท่านสิริมาในที่ที่ผมเรียกว่าท่านน่ะในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ท่านผู้นี้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นประโสดาบันที่เรียกว่าท่านกับเขาอย่างน้อยที่สุดท่านเป็นประโสดาบันนี่ท่านดีกว่าผมแล้วก็ท่านเป็นประโสดาบันอยู่ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ เวลานั้นสาวกข้ออ ง, องสมเด็จพระบรมครูเป็นอรหันหต์จังเยอะแยะผมเข้าใจว่าท่านคงไม่โง่พอที่ทรงแค่ทรงตนแค่ประโสดาบันทรงจะดีไปกว่านั้นแต่บาลีไม่ได้บอกไว้เพราะว่าเวลาที่ใกล้จะตายเนี่ยมันไม่แน่นักถ้าทรงความเป็นประโสดาบันไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน ตอนนี้พอจะตายเข้ามาจริงๆไอ้ทุกขเวทนาเข้ามาครอบงำจิตเจ็บน่นปวดนี่เสียดนั่นมันก็ทนไม่ไหวตอนนี้ความรู้สึกรักในร่างกายมันจะหมดไปการต้องการมีมีคู่ครองมันจะหมดไปต้องการความร่ํารวยมันจะหมดไปต้องการคิดว่าจะอยู่ต่อไปมันก็หมดไปเพราะมันอยู่ไม่ไหว เวลานั้นเจ็บปวดอย่างนั้นคิดอะไรไม่ออกจะไปรักแต่งงานกับใครเขาละตัวเองก็แย่จะไปกรอบโกยทรัพย์สินที่ไหนก็ไปลุกไม่ไหวที่หลงคิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราก็ไม่ได้ร่างกายมันแสนจะเลวตอนนั้นบางเอื่นหากว่าท่านเกิดมีความเบื่อหน่อยได้ร่างกายขึ้นมา ตายเมื่อตายไปก็ปปนิพพานทันทีว่ามีบางท่านมาถามว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสมากถ้านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไปได้หรือก็ต้องตอบว่าเวลาที่ป่วยจริงๆหนักมากความโลภมันหายไปจากใจความโกรธมันหายไปจากใจความหลงไม่มีก็ปนิพพานได้ตามที่กล่าวมาแล้ว สำหรับท่านสิริมาผู้นี้ท่านเป็นบระโสดาบันตั้งแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าจบเดียวท่านดีกว่าผมมากผมนี่ทั้งเรียนมาด้วยเป็นครูสอนเขาด้วยเป็นนักเทศด้วยแล้วก็อสอนธรรมะธรมโมด้วยผมเป็นอะไรผมยังไม่รู้เลยผมสงสัยตัวเองว่าผมดีไม่เท่าท่านสิริมาก็นี่เรื่องนี้ก็ยกไป ก็ขอกล่าวว่าความเป็นจริงท่านสิริมานีเป็นคนที่มีตตะกูลสูงคือท่านเป็นน้องสาวของหมออาชิวโกมรพัทยอยู่ในพระราชฐานขบราชาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าท่านต้องเป็นโสเพณีและวใบหญิงที่มีความสวยงามมากเขารับแขกเป็นหญิงรับแขกเมือง เวลาแขกเมืองมาก็เอาท่านมาประลาปลลมให้แขกให้แขกเมืองสบายใจใคลายอารมณ์เครียดแต่เหมาคืนคืนละพันกับหาปณะนะคือพันตำลึงละสี่พันบาทที่เวลานั้นเวลานี้ก็เทียบเงินเป็นล้านราคาแพงมากทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็เจอพระสูตรพระสูตรหนึ่งท่านบอกว่า กฎของกรรมของศิริมาท่านศิริมาเวลานั้นท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่พูดไม่ดีหรือว่าไม่ได้พูดโกหกหมดเหตุแต่พูดไม่ดีตายจากชาตินั้นแล้วต้องมาเป็นหญิงโสเพณีตั้งนานหลายชาติผมก็นับชาติไม่ทวนอ่านไม่ครบเรื่องราวยัอย่างนี้คือว่าในสมัยนั้น เป็นสมัยที่มีพระอระหันต์ผมก็จำไม่ได้ว่าพระธเจ้าสวรนามชื่อว่าอะไรแค่พูดไปก็เดาไม่มีความสําคัญผิดปเปล่าเพราะวันนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาก็มีคนไปทําการทำประทักษิณคือเวียนเทีย น, นแสดงความเคารพไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงศ์ แในขณะที่เวียนเทียนนั่นก็ปรากฏมีพระอริยสงฆ์อยู่มากทาั้งพระพระผู้ชายที่เรียกว่าพิษุพระผู้หญิงที่เรียกว่าพิษุณีก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมีพิษุณีองค์หนึ่งท่านแก่และท่านก็กินมากแต่ความจริงพิษุณีองค์นี้ท่านเป็นพระอระหรันต์ แต่ว่าท่านจะเป็นพระหันอรหันต์ขั้นสุขบาสโกทีวีโชชระเป็นโยปฏิสันพิธัพประตูอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่ทราบบาลีไม่ได้บอกเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่กินหมากเวลาเวียนเทียนเคี้ยวหมากไปไอ้น้ำหมากน้ำลายมันก็มากขึ้นท่านก็วนน้ำหมากลงข้างทางเดินเวลานั้นมื่อเอินมีลมพัดมาไม่แรงนัก ลราออมมากนิดหนึ่งไปถูกกอาผ้าของท่านท่านสิริมาเวลานั้นเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่งตัวสวยและรูปร่างก็สวยเะอเอามากไปติดอัพผ้านิดเดียวเธอก้มลงมาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจกล่าววาจาไม่ใช่ก็หกแต่กล่าววาจาอย่างนี้ว่าอีหญิงแพทศยาคนไหนนะ มาบ้วนน้ำหมากทำละอองน้ำหมากมาถูกผ้าของเราอย่างนี้ไม่ใช่โกหกแปลแต่ว่าเป็นวาจาหยาบฉะนั้นในศินห้ามไม่ได้ห้ามวาจาหยาบเราต้องราากักษาคำ บ, บัญญัติเพราะห้ามทุกวิชาทุกประเภททั้งโกหกก็ห้ามวาจาหยาบก็ห้ามการพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านโกห้าม การพูดวาจาเ ห, หลวไหลก็ห้ามต้องถืออย่างนั้นด้วยผลที่นางศิริมาหรือท่านศิริมาพูดเพียงเท่านั้นตายแล้วเูาต้องลงอบายภูมิแล้วก็มาเกิดเป็นคนต้องมาดีเป็นหญิงแพทย์สยานับเป็นร้อยร้อยชาตินี่รบรรดาเพื่อนบิสุสมันเณินให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน ถ้ารักษาแต่ศีลเราอาจจะพลาดวาจาจาบเรา อ, อาจจะพลาดวาจาส่อเสียดอาจจะพลาดวาจ า, วาเพ้อเจือเหลวไหลไร้ประโยชน์ฉะนั้นต้องรักษาวาใจทั้งสี่อย่าวาจาใจทั้งสี่รายการสจาหลับวาจานะทั้งสี่ใหญ่ครบถ้วนจึงจะปลอดภัยมาพูดถึงตอนนี้ผมก็มานึกขึ้นมาได้ว่ามีบคุคคลหลายท่าน บางทีท่านปุณณ น, นั้นก็เป็นคณะาจารย์สอนพระกรรมฐานเคยปรารบอยู่เสมอว่าพระอระหันต์ไม่สูบบุรีไม่กินหมากแต่ความจริงการสบุรีหรือกินหมากนี่ไม่ผิดทางพระวินยัยอย่างพระอระหันต์องค์นี้ท่านกินหมากขย่าว่ายงง อ, อย่างไงหรือว่าจะแบ่งอรหันต์ให้คนละสมัย ท่านคนที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานจะสูบบุหรี่และกินหมากที่วัดนี้ไม่เคยห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าทําให้สถานที่เประหรือว่าอย่าทําให้ออกไฟบุหรี่ไปไหม้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็พอถ้าไปห้ามกันปรสาสตร์มันชินจะเมรลมเครียดฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนมีโสดสมัมเนยคอย้อนมาเรื่องศีลจําไว้ด้วยนะครับ ว่าการไม่พูดปดแต่พูดหยาบก็ไม่ดีลงอวัยภูมิยังไม่พอเกิดมาเป็นโสเพณีนี่เราก็มาดูคำว่าศีกันก่อนก่อนที่จะพิจารณาเรื่องอะไรต้องรู้จากชื่อแล้วก็ต้องรู้จากอาการกันก่อนคำว่าสี น, นี่แทนแปลว่าปกติ พระของเราจะต้องมีปกติปฏิบัติในสิกขาบทสองยี่สิบเจ็ดและก็มีอพิสมาจารย์ด้วยและจะต้องมีอาทิสินสิกขาธรมตวางสินยิ่งอาทิจิตสิกขาทำชาญสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิกขาใช้เป็นจัดปัญญายอมรับนับถือตามความเป็นจริง เรียกว่ายอมรับรับถือกฎคงธรรมดาไม่ใช้อารมณ์ฝืนอย่างนี้ถ้าจะฟังยากนิดผมก็ขอพูดทิ้งไปเลยไม่รู้กันขนาดนี่คำมาศีนแปลว่าปกติเฉพาะฆนาวาสปกติจริงๆต้องมีสินห้าครบทวนถ้ามีสินห้าไม่ครบถวนก็เป็นคนผิดปกติน่าทาไม จะต้องมาปฏิบัติกันบังคับก็นเลยหรือก็ขอตอบว่าในที่นี้ไม่มีการบังคับสุดแล้วแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพอใจอะไรถ้าคนมีสินคนใดมีสินครบถ้วนคนนั้นท่านเรียกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจดีมาก แต่คนมีสินเมื่ครบท้นท่านเรียกว่าคนคนแปลวโยงเวลานี้โลกที่โ่งอยู่พระขาดศินสินมีแต่คนยอมรับนับถือสินไม่มีแต่ผมก็อย่าทิ้งไวอีก <c oughs> ไม่ที่บายต่อไปขอมาที่บายขั้นสินของฆราวาสละเยดลุนะครับพระ บ, บัตรปายตีแท่งปิกาพีละพิโค ไฟอเวจีมหานรกทําให้ยาหลุดของเขียวพราดของเขียวให้หลุดท่านเอกปัฏนากราชต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิบชานท่านพิสุทธิ์ธมเนรต้องระวังให้มากห <c oughs> ากว่าท่านเป็นพิสุทธิ์ธรมเนรถ้าขายกำหนดสิบระวังนะโยมจะเอาอาหารที่สําหรับไฟบาดเพื่อท่านไปเลี้ยงไอตูบซะก่อน เพ่อไร่ถ้าพระกับเนนไม่มีกำหนดสิบกำหนดสิบไม่มีอยู่ศีลประจําตัวที่มากกว่านั้นจะมีได้ยังไงถ้าเราหมผ้ากาสาวพัดขาดกรรมบดสิบเราก็เลวเพราะไอ้ตูกที่บ้านโยมเพราะว่าเจ้าตูกที่บ้านโยมนะมันเป็นสุนัขมันไม่เคยบริกาศเลยว่ามันเป็นพระเป็นเนน มันแสดงตนความเป็นสุนัขเป็นปกติของมันมันซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเราปฏิบัติตนโกงไปโกงมาก็เสร็จนี่ขอพูดทั้งอนุภาพของศิลอนุภาพของศิลห้าในบรรดาญาโยามพทบริษัทมีหลายท่านมาเห็นถึงเห็นธรรมมาเข้าใจตรรมานี่เป็นผู้วิเศษบางคนก็ป่วยไข้ไม่สมบายบางคนก็ เดือดร้อนเรื่องการครอบครัวบางคนก็เดือดร้อนในทรัพย์สินขอให้นงพ่อช่วยนงพ่อเองก็ต้องให้ใน้ำเกลืออาทิตย์สองสามครั้งฉีดยาอยู่เสมอมันก็ไม่ไหวเนี่ยมาคุยกันเรื่องสินสินห้าคือข้อที่หนึ่งปานาทิบาทสาหรับปานาทิบาทที่จะรักษาได้จริงๆต้องมีเมตตากรุณาทั้งสองตัวะสมอยู่ในใจ จะต้องมีปัญญาคนไม่มีปัญญานี่รักษาศินไม่ได้อันดับแรกจะรักษาปานาธิบาตได้ต้องเมืองเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารมีจิตคิดว่าคนเราในทารักกันแล้วก็ดีกว่าเกลียดกันเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันจึงจะรักษาศินข้อปานาธิบาตนี้ได้ ถ้าบาคนใดถ้าป ร, รับสัปฏิบัติสินในครอบปานาติบาทสียได้ครบถวนเป็นปกติไมายควาไม่ฆ่าเขาด้วยไม่ทรมานเขาด้วยถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้ก็มีหวังได้ว่าเป็นเทวดาแน่อยากเทวดาลงมาถ้าเป็นคนจะเป็นคนมีอายุครบอายุไข รูปร่างสูสทงหน้าตาผิวพรรณสดสวยงดงามและก็โลกภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนนี่หมายความถารักษาศีลได้นะถ้าละเมิดศีลข้อที่หนึ่งอันดับแรกในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความเดือดร้อนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีศีลพระเมตตากรุณา มีเมตตาความรักกุณาความสงสารเจือหน้าใครแล้วก็ยิ้มเขาก็ยิ้มอารมณ์ใจก็สดชื่นเห็นว่าคนใดเ้ามีความลำบากยากแค้นมีความสงสารเกือ้อกูลให้มีความสุขอันนี้เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไม่ต้องเป็นเรียงคาถาเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนที่เกลียดจะมีบ้างบางคน คือคนที่ชอบอิจฉาที่สิยาบวกคนอื่นอันนี้เราก็ปล่อยเขาแล้วพระเจ้าเยังถูอิจฉาคนเร็วๆอย่างเราทําไมยังไม่ถูอิจฉาเขาอิจฉาที่สิยาเป็นความเดือดร้อนของเขาเรามีเมตตาปราณีเป็นความสุขของเราไปไหนมีคนยิ้มให้เรามากกว่าคนน้างอเราชื่นใจแลามีความสุข แต่คนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติในสิ่งข้อนี้ได้คือจิตขาดเมตตาปราณีที่าดากิงฆ่าเขาบางประทุศร้ายเขาบางทำให้เขาลำบากบางพวกนี้จะหลับก็ไม่เป็นสุขจะตื่นก็ไม่เป็นสุขมีชีวิตอยู่แลาแวงอันตรายอยู่เสมอตายจากความเป็นคนมีหวังได้กไปอายายภูมิแน่ ยังไงไงก็เป็นมีสิทธิ์ลงนรกร้อยเปอร์เซนต์ออกจากนารกแล้วก็มาเป็นเปรตอออกจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายออกจากสุรกายก็มาเป็นสติฉันเพราะพ้นจากสติฉันก็มาเป็นคนที่ต้องรับผลสิทธของกรรมอย่างดีที่สุดก็เป็นคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บกะ ง, ง, ง้องกะแง่งเดินไม่เคยไหว ถ้ารุนแรงเกินไปอาจจะเป็นอาาพยพและไม่เช่นั้นก็มีการอายุสั้นพันตายบางคนบาปหนักเกินไปเป็นอจิน ร, รมเข้าท้องแม่ไม่ทันยัคลอดตายบาปย่อนมาอนิดหนึ่งเว้นบ้างบันดีละบันดีไม่ละแต่เป็นพระเว้นอย่างนี้เกิดออกจากท้องแม่ไม่กี่วันก็ตาย ถ้าเว้นมากกว่านั้นหน่อยก็เป็นเด็กใหญ่ตายเว้นมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายถ้าเว้นมากกานันน้อยหน่อยไฟกลางคนก็ตายให้กํากลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ทําอันตรายอย่างนี้เลยเว้นทุกอย่างคือไม่ทำพลาดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่นก็หมายความอยู่ถ้ายุไขแล้วจึงตายลูกัยไข่เจ็บมีบ้านเป็นของธรรมดาบางคนก็ไม่มีเลย นี่จะต้องโทษละคุณของสินข้อที่หนึ่ง <c oughs> เพราเล่าย่อๆอถ้าปฏิบัติในสินข้อที่หนึ่งได้มีชีวิตอยู่มีความสุขว่าคคนรักมากว่าเราใจดีตายไปแล้วจะความเป็นคนไห้เกิดเป็นเทวดาระพรมเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนนานโาครคภัยไข้เจ็บน้อยรูปร่างหน้าตา飒 ส, สวยแล้วก็จะพูดอะไรต่อไปบรรดายติโยมทั้งหลายและเพื่อนิสุ์สมนณ ขันยานบอกเวลาบอกเลิกถือหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนยังขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่เือเพื่อนบิสุบาสมเนรทุกคนจงมีความปรารถนาสมหวังตามที่ต้องการสวัสดี